อันธรมยังพุท ธ, ธาพิขีติงกโรมะเซพุทธวารันตวรตาที่คุณาพิยุนโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตตาคุณเป็นต้น สุธาพิยานการุณหิสมาคตะโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระการุณาอันบริสุทธิ์โพเทิโยสุชนะตังกามรังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน ดูดอาทิตธรรมบัวในบานวันธามะนังตมระนังสีราซาชิเนนทางข้าพระเจ้าว่ายพระชินนสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวพุทโโยสัพพานินังสรานังเขมมุตตามัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัตมานุสติธานังวันธามิตังสิเรณังข้าพระเจ้าวหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าว พุทธาสานสามิทาโสวาพุทธโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจา้าพุทโธทุกขัสสขาตาจะวิทาตาจะหิตาสเม พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกาจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธาตุสานั่งนิยาเทมิสาริรันชีวิ ต, ตันจิทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตทั้งจริสามี พุทธาธิเสวะสุโพทิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จากพระพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารังอันยังพุทโธเมสารังวรังสารณอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวาเจนะวาเอย่างสัตธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา พุทธังเมวันทมาเนนายางปุนยังปะสุตังอีธาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรวายบุญได้ในบนัดนี้สาพเพปิอันตารายาเมมาเนสุงตัดสเาเตชะสา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเทกุกัมมังปะกะตังมายายัง กรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปาติคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวพุเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป